ลักษณะนครสามีที่เปลี่ยนไปสิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นสีเขียวเป็นวงล้อมจิตนครอยู่สุดลูกตาซึ่งดูเหมือนค่อยๆสูงขึ้น และกระชับวงล้อมแคบเข้ามานั้นได้เบืงเอิญเกิดขึ้นพร้อมกับอาการแปรปรวนบางอย่างในจิตนักกรเช่นถนนสายสำคัญสี่สายเริ่มแสดงอาการชำรุดระบบสื่อสารเริ่มเชื่องช้าไม่ว่องไวเป็นต้นแต่กองทัพใหญ่ฝ่ายสังโยธหาได้ระสัม prasai ไม่กลับรวมกำลังการกระชับแน่นยิ่งขึ้น ต้องการที่จะคุมอำนาจในจิตนครไว้แต่ฝ่ายเดียวสมุไทยกับคู่อาสวะและสังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่ได้ประชุมหารือกันวางแผนที่จะปราบปรามกองทัพใหญ่มรรคและพยายามที่จะครองใจนครสามีกับชาวเมืองทั้งปวงสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นและอาการแปรปรวนดังกล่าวแต่เป็นเครื่องช่วยสมุไทยให้ได้รับความโปรดปรานขึ้นอย่างหนึ่ง คือเมรดคอนสามีออกปรากฏที่ใจกลางเมืองอันเป็นที่รวมของถนนใหญ่สี่แพร่งดังกล่าวแล้วแต่เดิน ม, มาชาวจิตนครทั้งปวงก็พากันตื่นเต้นชื่นชมว่าสวยงามยิ่งนักทั้งเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่งามพร้อมอยากจะดูจะชมอยู่เนืองๆคล้ายๆกับคนหนุ่มสาวทั้งหลายผู้กำลังรักสวยรักงาม อยากจะชมเงาหน้าของตนเองในกระจกเงาอยู่นานๆเนืองๆยิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่า ง, งามครั้นเมื่อเกิดสิ่งแปลกและอาการแปลปรวนดังกล่าวขึ้นลักษณะของนครสามีเองก็เปลี่ยนไปด้วยคือเมื่อออกมาปรากฏที่ใจกลางเมืองชาวเมืองก็พากันเห็นว่ารูปโฉมลักษณะของนครสามีเดิเริ่มแปลเปลี่ยนเสียแล้วความเป็นหนุ่มสาวก็ลดลงไป ความงดงามน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนดูซุดโสมลงไปเช่นเดียวกับถนนสี่สายเมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างไม่ได้นึกฝันต้องการดังนั้นก็พากันตกใจถึงบางคนเผลอร้องขึ้นดังๆว่าแกแกฝ่ a, ายนครสามีได้ยินเสียงทักอย่างแปลกประหาดดังนั้นก็ตกใจรีบกลับเข้าไปทันที เพราะทุกๆครั้งแต่เดิมชาวเมืองพากันร้องชมว่ายุภวัยงามพร้อมมาครั้งนี้ได้รับคำทักที่น่าตกใจว่าแก่แก่ก็มีอาการเสียใจอย่างที่เรียกว่าเกือบจะเป็นลมพับไปณนะที่กลางใจเมืองนั้นถ้าไม่รีบกลับเข้าไปสมุทัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเสนอวิธีแก้ไขพร้อมทั้งทับถมคู่บา ร, รมีว่า ความจริงนครสามีหาได้แก่ดังที่ชาวเมืองทักไม่ยังอยู่ในยุปรวัยอันสวยงามแต่คงเป็นเพราะคู่บา ร, รมีและพักพวกนั่นเองที่ชอบแสดงตนเป็นคนแก่ธรรมชอบนำคำแห่งพระบ ร, รมครูของพวกเขามาแสดงสอนชาวเมืองว่าควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงความแก่ไปได้ บางทีชาวเมืองบางกลุ่มอาจจะแก่ทำตามไปด้วยจึงเผลอร้องขึ้นต่อหน้านะครสามีว่าแกแกเป็นเรื่องของคนเผลอสติแท้ทีเดียวไม่มีความจริงอยู่เลยฉะนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้มีเสียงทักที่วิปริตเช่นนั้นเกิดขึ้นให้ไปที่กวนใจนครสามีอีก ถ้าสมุทรไทยสามารถทําให้นครสามีไม่ได้ยินเสียงคู่บารมีกับพรกพวกเสียแล้วนครสามีก็จะตกอยู่ในอํานาจของสมุทรไทยคือฝ่ายนําไปไม่ดีการตกอยู่ใต้อํานาจฝ่ายไม่ดีนั้นเป็นธรรมดาย่อมกลายเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยผู้บริหารจิตคือผู้กําลังพยายามต่อต้านไม่ยอมตกอยู่ใต้อํานาจของฝ่ายไม่ดีคือพยายามเป็นคนดีนั่นเอง เป็นคนดีได้เพียงไรก็จะพ้นจากอำนาจของฝ่ายไม่ดีมากเพียงนั้นจะห่างไกลจากความทุกข์ความร้อนอันจะเกิดจากความไม่ดีเพียงนั้นสมุทัยชวยโอกาสสมุทัยได้ช่วยป้องกันนครสามีไม่ให้เห็นและคิดถึงความแก่ด้วยวิธีการที่แยบยลหลายอย่างได้บูรณะและตกแต่งที่จุดกลางใจเมือง อันเป็นที่บรรจบแห่งถนนสีสายของเมืองซึ่งเป็นที่ออกปรากฏกายของนครสามีเพราะจิตนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองอาถรรพ์แปลกประหลาดจากเมืองในโลกทั้งปวงดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายอย่างหลายประการเช่นระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในระบบขนส่งระบบถ่ายเทซึ่งใช้ท่อทั้งนั้น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 แบบนี้ยังไม่มีเมืองไหนในโลกทำได้ทั้งยังมีโรงงานต่างๆอีกมากมายเรื่องโรงงานนี้จะได้เล่าในคราวต่อไปและมีถนนที่สําคัญของเมืองสีสายมาบรรจบกันตรงกลางใจเมืองซึ่งเป็นที่นครสามีออกมาปรากฏกายตรงที่บรรจบกันของถนนสีสายนี้มีความแปลกประหลาดคือเมือถนนเรียบร้อยไม่ชำรุดดูเหมือนสร้างขึ้นใหม่ กายของนครสามีจะปรากฏว่าดำรงอยู่ในยุพวัยสวยสดงดงามยิ่งนักเป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวจีนนครทั้งปวงแต่เมื่อถนนเหล่านี้ชำรุดสุดซอมไปตามกาลเวลากายของนครสามีจะปรากฏว่าสุดซอมดังที่เรียกว่าแก่ฉะนั้นสมุทยผู้รู้ความข้อนี้จึงพยายามบุรณะตกแต่งทางสีแพร่งนี้อย่างเร่งด่วน โดยได้มอบให้เป็นหน้าที่ของนายช่างตันหาผู้เป็นนายช่างผู้มีฝีมือมีชื่อเสียงที่สุดของสมุทรไทยถนนสี่สายของจิตนานครนี้มีชื่อว่าถนนปทวีถนนอาโปถนปนเตโชถนนวายโยเพราะสร้างขึ้นด้วยปทวีดินสายหนึ่งด้วยอาโปน้ำสายหนึ่งด้วยเตโช ไฟสายหนึ่งด้วยวายโอลมสายหนึ่งจะเรียกง่ายๆว่าถนนดินถนนน้าถนนไฟถนนลมก็ได้การบูรณะก็ทาด้วยใช้พัสดุ4อย่างนั่นแหละนอกจากนี้ยังตกแต่งด้วยเครื่องแต่งต่างๆเช่นเครื่องผัดเครื่องย้อมเครื่องทาและเครื่องแต่งอย่างอื่นๆเพื่อให้ผิวประเทืองบ้าง เพื่อให้มีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจบ้างนายช่างตันหาเป็นผู้ฉลาดในการบูรณะตกแต่งชั้นยอดในโลกสิ่งที่ชํารุดจริงๆบูรณะไม่ไหวแล้วก็ยังสามารถตกแต่งปกปิดความชํารุดให้มองเห็นภายนอกว่าสมบูรณ์ไม่บกพร่องนอกจากจัดบูรณะตกแต่งดังกล่าวสมุทรไทยยังได้จัดคนไว้หมู่หนึ่งให้คอยร้องชมนครสามีว่า ยุบวายงามพร้อมถ้าจะมีนักแก่ทําที่ไหนมาร้องว่าแกแกก็ให้รีบร้องชมดังกล่าวให้ดังให้กลบเสียงที่วิปริตนั้นเสียงให้จงได้ครั้นจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ให้สัญญาณนคกรสามีให้ออกปรากฏกายได้นครสามีออกปรากฏกายก็มีเสียงร้องชมเส้งแซ่ว่า ยุบวายงามพร้อมเป็นเหตุให้นครสามียินดีชื่นบานเป็นอย่างยิ่งหายระทมหม่นหมองทันทีน่าจะอย่างนี้ที่กล่าวกันทั่วไปว่าคนโดยมากชอบยอมมากกว่าชอบคำจริงเมื่อไม่ชอบคำจริงก็ไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องจริงหลงอยู่ในความเห็นผิดเข้าใจผิดซึ่งมีผลเป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณ ผู้มาบริหารจิตคือผู้มุ่งหมายยกระดับจิตให้พร้อมด้วยเหตุผลคือปัญญาที่จะทำให้สามารถถอดถอนความหลงติดในสิ่งไม่ชอบไม่ควรทั้งหลายสามารถปฏิบัติสิ่งที่ชอบที่ควรทั้งหลายได้และจะได้รับผลเป็นคุณเป็นความสุขสงบตามควรแก่ความปฏิบัติกองทัพใหญ่สังโยชเดินสวนสนาม ฝ่ายสมุทรไทยเห็นว่านครสามีกําลังโปรดปรานเพราะได้ช่วยแก้เหตุการณ์ที่น่าตกใจกลัวไว้ได้แม้จะด้วยวิธีตกแต่งอําพรางก็ตามจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะได้แสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตนเป็นการข่มขู่ขวัญของอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นการดึงจิตใจของชาวเมืองให้เข้ามาสนับสนุนฝ่ายตนจึงขออนุ ญ, ญาตนครสามีเพื่อแสดงแสนยานุภาพกองทัพใหญ่สังยด โดยจัดให้มีการเดินสวนสนามผ่านพักนครสามีากลางใจเมืองที่ถนนสี่สายมาบรรจบกันครั้นได้รับอนุญาตแล้วสมุไทยก็เรียกประชุมหารือกับขัาวะและสังโยชนะ บ, บดีแม่ทัพใหญ่สังโยต์เตรียมการสวนสนามใหญ่เมื่อได้เตรียมการทุกอย่างพร้อมและได้กำหนดเวลาเรียบร้อยแล้วก็ได้ประกาศพิธีสวนสนาม และวันเวลาชักชวนชาวจิตนครทั้งปวงให้มาดูชมครั้นถึงวันสนสนามแม่ทัพใหญ่สังยอดก็ได้ชุมนุมกองทัพใหญ่สังยอดทั้ง10กองทัพน้อยไว้พร้อมศัพท์ประชาชนชาวจิตนครได้มาดูกันอย่างแน่นขนัดเมื่อได้เวลากำหนดคนครสามีก็ได้ออกมาปรากฏกายณที่ใจกลางเมือง อันเป็นที่บรรจบแห่งถนนใหญ่ทั้งสีกองทัพสังโยต์ก็ได้เริ่มเดินสวนสนามผ่านที่สถิตแห่งนครสามีเริ่มแต่กองทัพน้อยที่หนึ่งไปโดยลาดับดังนี้ 1. กองทัพส ก, กายยทิฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือตัวตนแบ่งออกเป็นห้าเหล่าคือเหล่ารูปเหล่าวทนาเหล่าสัญญาเหลาสังขาร เหล่าวิญญาณแต่และเหล่ายังแบ่งออกเป็นสหมู่คือหมู่ขันเป็นอัตตาหมู่อัตตามีขันหมู่ขันในอัตตาหมู่อัตตาในขันจึงรวมทั้งหมดเป็น20หมู่ 2. กองทัพวิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจแบ่งออกเป็นสมเหล่าใหญ่คือเหล่าอัตตาอดีต เราอัตราอนาคตเราอัตราปัจจุบันเราอัตราอาดีตแบ่งออกเป็นห้าหมู่คือจะมีเราต่อไปหรือจะไม่มีเราต่อไปหรือเราจักไปเป็นอะไรเราจกไปเป็นอย่างไรเราจกไปเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปเราอัตราปัจจุบันแบ่งออกเป็นหกหมู่ carta, คือเรามีอยู่หรือเราไม่มีอยู่หรือ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 ทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายเหล่ากังขาในปฏิจจสมุดบาทคือทมที่อาศัยกันเกิดขึ้นโดยเป็นปัจจัยสืบต่อกันโดยลำดับ 3. กองทัพศีลพัตตะปรามาตรความถือศีละวัดต่างๆด้วยความปรารถนาผลมีล่าเป็นต้นหรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์และอย่างละเอียดคือ ยังต้องถือคือยังต้องรักษาอยู่ยังไม่ถึงขั้นศีลและพรสรักษาแบ่งออกเป็นสองเหล่าคือเหล่าศีลปรามาตยและวัดปรามาตยแต่และเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายสิบหมู่ 4. กองทัพกามราคะความติดยินดีกำหนัดในกามหรือเพราะกามแบ่งออกเป็นห้าเหล่าคือเหล่ารูป เหล่าเสียงเหล่ากลิ่นเหล่ารสเหล่าสิ่งที่ถูกต้องทุกเหล่าล้วนแต่น่ารักใคร่ประทานาพอใจแต่ละเหล่าแบ่งออกไปอีกหลายสิบหลายร้อยหมู่กองทัพใหญ่สังโยตเพียงเท่านี้ก็กล่าวยังไม่หมดแต่ก็มากมายนักแล้วพอจะทำให้หน้านึกกลัวอำนาจของกองทัพสังโยชนั้นยิ่งนักอานาจของกองทัพใหญ่สังโยตกล่าวอีกอย่างก็คือ อำนาจอันยิ่งใหญ่ของกิเลสนั่นเองกิเลสมีอำนาจเหนือจิตใจมากมายน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งควรจะได้เตรียมกำลังต่อต้านไว้ให้เข้มแข็งที่สุดเพื่อจะได้ไม่เกิดความพ่ายแพ้เก่ อ, อำนาจของกิเลสอย่างสิ้นเชิงจะได้พอมีส่วนชนะเหลืออยู่บ้างกำลังที่จะต่อต้านกิเลสได้ก็คือกำลังของความดีเท่านั้นสร้างความดีให้มากที่สุด ให้เกิดเป็นพลังแห่งความดีให้เข้มแข็งที่สุดขึ้นในใจแล้วจะสามารถต้านทานอำนาจแรงร้ายของกิเลสได้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีจิตใจที่ดีได้ตามควรแก่พลังแห่งความดีเท่าที่จะสามารถสร้างขึ้นได้ได้เล่าถึงการส่วนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สองยอดซึ่งประกอบด้วยกองทัพน้อย10กองทัพ และได้แสดงผ่านไปแล้วสี่กองคือ 1. กองทัพสั ก, กยธทิฏฐิ 2. กองทัพวิจิกิจฉา 3. กองทัพสีรัพตะปรามาและ4กองทัพกามราคะจนถึง 5. กองทัพปฏิฆะ ค, ความกระทบกระทั่งงดหงิดแห่งจิตแบ่งออกเป็น1ิบเหล่าคือ เราอาคาดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเราอาคาดว่าเขากําลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเราอาคาดว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเราอาคาดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเราเราอาคาดว่าเขากําลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คน ผู้เป็นที่รักของเราเราอาคาดว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักของเราเราอาคาดว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์าาาแก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเราอาค า, วาดว่าเขากําลังประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเราอาคาดว่า เขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเราเราโกรธในฐานะอันไม่สมควรทั้งปวงและยังแบ่งออกเป็นหมู่ต่างๆอีกมากมาย 6. กองทัพรูปราคะความติดอยู่ในรูปธรรมหรือในอารมณ์แห่งรูปฌานแบ่งออกเป็นสามเหล่าคือเหล่ากนิกะหรือ บริกรมรมเหล่าอุปจาระเหล่าอ ป, ปนาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากหมู่โดยเฉพาะเหล่าอ ป, ปนาแบ่งออกไปอีกสหมู่คือหมู่ปฐมอรูปปัจจานหมู่ทุติยรูปปัจจานหมู่ตติยรูปปัจจานหมู่จตุทารูปปัจจาน 7. กองทัพอรูปราคะความติดอยู่ในอรูปธรรมหรือ ในอารมณ์แห่งอรูปฌานแบ่งออกเป็นสามเหล่าคือเหล่าขณิกะหรือปริกรรมเหล่าอุปชาระเหล่าอั ป, ปนาแต่และเหล่ายังแบ่งออกไปอีกหลายหมู่เช่นเดียวกับกองทัพรูปปราคะและเหล่าอั ป, ปนายังแบ่งออกไปอีกสหมู่คือหมู่ปฐมอรูปฌานหมู่ทุติยะอรูปฌานหมู่ตติยอรูปฌาน มูจตุธอรูปฌานแปดกองทัพมานะความสําคัญว่ายังมีเราแบ่งออกเป็นเก้าเหล่าคือเราดีกว่าเขาสําคัญตนว่าดีกว่าเขาเราดีกว่าเขาสําคัญตนว่าเสมอเขาเราดีกว่าเขาสําคัญตนว่าเลวกว่าเขาเราเสมอเขาสําคัญว่าตนดีกว่าเขาเราเสมอเขา สำคัญตนว่าเสมอเขาเราเสมอเขาสำคัญตนว่าเรวกว่าเขาเราเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาเราเลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเรวกว่าเขาและแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกหลายสิบหมู่ 9. ก้ากองทัพอุทจฉะความคิดพลาดแบ่งออกเป็นสามเหล่าคือ เหล่าอารูปะสมาความไม่สงบเหล่าเจตวิเขปะความฟุ้งซ่านแห่งใจเหล่าจิตตพันตะความหมุนไปแห่งจิตแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกเหล่าละหกหมู่คือหมู่รูปารลมหมูม่สัทธารลมหมูม่คันธารลมหมูม่รสารมหมู่โพธพารลมหมูม่ธรรมารลม กองทัพอุทจัณฑ์นียังมีกองทัพสหายติดตามหนุนเนื่องอีกด้วยกองทัพใหญ่สังโยดยังไม่หมดความมโหาราณของกองทัพนี้น่าสะพึงกลัวยิ่งนักแต่ความจริงก็มีอยู่ว่ากองทัพนี้จะถูกปราบให้ราบเรียบไปได้แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงปราบได้ราบเรียบไปแล้วด้วยกองทัพธรรมที่ทรงแสงญาณุภาพยิ่งกว่าเหลือที่จะประมาณได้ บรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้กำลังพยายามสร้างสมกองทัพธรรมของตนให้ทวีแสงญาณุภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะสามารถทำให้เป็นฝ่ายชนะกองทัพสังโยช์ได้เป็นลำดับไปได้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขเป็นลำดับไปตามควรแก่การปฏิบัติเพื่อสร้างกองทัพธรรมกำลังแสดงการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยต เพื่ออวดแสนยานุภาพให้ปรางกฏแก่เจ้าผู้ครองจิตนครหรือนครสามีกองทัพใหญ่สงโยชนี้ประกอบด้วยกองทัพน้อย10กองทัพและได้สวนสนามผ่านไปแล้ว9ก้ากองกองสุดท้ายที่เพิ่งผ่านไปคือกองที่9เป็นกองทัพอุทจฉะความคิดพลาดกองสหายคู่ใจของกองทัพอุทจฉะคือกองทัพกุ ก, กุจฉะความรำคาญใจ แบ่งออกเป็น5้าเหล่าคือเหล่ารำคาญใจเหล่ายุกยิกเหล่ากระสับกระสายเหล่าเดือดร้อนใจเจตวิปติสารเหล่ายุ่งใจเมโนวิเลขะแต่บางคราวก็รวมกันเข้าเป็นสองเหล่าคือเหล่ายุกยิกเดือดร้อนรำคาญเพราะทำเหล่ายุกยิกเดือดร้อนรำคาญเพราะไม่ทำและยังแบ่งออกเป็นหมู่ต่างๆอีกมากมายเช่น มูเดือร้อนใจว่าเราทำทุจริตเราไม่ได้ทำสุจริตเป็นต้น 10. กองทัพอวิชชาความไม่รู้แบ่งออกเป็น8เหล่าคือเหล่าไม่รู้ในทุกเหล่าไม่รู้ในเหตุเกิดทุกเหล่าไม่รู้ในความดับทุกเหล่าไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเหล่าไม่รู้ในเงื่อนต้นหรืออดีต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 ที่พากันมาดูแน่นขนาดได้ผลคือผูกใจนครสามีและประชาชนทั้งปวงอย่างแน่นแฟ้นในลักษณะต่างต่างกันคือกองทัพสกายทิทิผูกใจให้ยึดถือกายของตนอย่างมั่นคงกองทัพวิจิกิจฉาผูกใจให้สงสัยในตนและในพระรัตนตรัยเป็นต้นกองทัพศิลปะปรามาตรผูกใจให้ถือขลัง ถือโชคลางต่างๆจะเว้นอะไรจะประพฤติอะไรก็เพื่อสนองความประสงค์ของสมุทยัยกองทัพการมราคะผูกใจให้พากันยินดีติดอยู่ในกามทั้งปวงกองทัพปฏิฆะผูกใจให้กระทบกระทั่งหงุดหงิดกองทัพรูปราคะผูกใจให้ติดในรูปอารมณ์ตลอดถึงอารมณ์แห่งรูปฌานทั้งปวง กองทัพอรู ป, ปราคะผูกใจให้ติดในอรูปารมณ์หรือในอารมณ์แห่งอรูปฌานทั้งปวงกองทัพมานะผูกใจให้เกิดความสาคัญตนต่างๆกองทัพอุทจักผูกใจให้ฟุ้งซ่านให้รำคาญกองทัพอวิชชาผูกใจให้ไม่รู้จริงให้เห็นผิดให้หลงเข้าใจผิดต่างๆสมุทยแสดงโอ้อวดว่า กองทัพสังโยชน์อันเกรียงไกรประกอบด้วยแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุดครอบงำไตรภูมิโลกได้ทั้งหมดฉะนั้นทุกๆแห่งในโลกไตรภูมิพากันระยอดเดชแห่งกองทัพใหญ่สังโยชนี้ไม่มีผู้ใดสามารถจะทำลายกองทัพใหญ่สังโยชนี้ได้จิตะนะครเป็นนครที่1ในไตรภูมิโลกและนะครสามีจะเป็นผู้ครองไตรภูมิโลกทั้งหมด คำโฆษณาชวนเชื่อของสมุทรไทยทำให้นครสามีและชาวจิตตะนครทั้งปวงพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นในแสงยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยต์นับว่าการสุดสนามของกองทัพใหญ่สังโยต์ที่สมุทรไทยจัดขึ้นได้ผลผลูกใจคนทั้งปวงอย่างแนบแน่นเป็นที่สมใจของสมุทรไทยที่สุดการเสวนานี้สาคัญนักพระนครสามีเสวนากับสมุทรไทย จึงมีโอกาสให้สมุทรไทยล่อหลอกให้หลงเชื่อได้ด้วยกลอุบายต่างๆธนาครสามีตัดการเสวนากับสมุทรไทยเสร็จแล้วสมุทรไทยก็จะไม่มีโอกาสแสดงแสนยานุภาพหลอกล่อได้เลยการเสวนาคือคบผ่านไม่ดีอย่างยิ่งไม่เป็นมงคลอย่างยิ่งยิ่งเป็นพานในใจตนเองด้วยแล้วยิ่งเป็นพานใหญ่ที่สุดไม่ควรเสวนาที่สุด การจะกำจัดพันในใจตนหรือพานคือตนเองก็มีอยู่หนทางเดียวซึ่งเป็นหนทางที่จะได้ผลแน่นอนนั่นก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกรุณาชี้ให้ไว้เสียงเรียกร้องกองทัพใหญ่มักสมุทยอาจจะลืมนึกไปว่าในจิตนคร ไม่ใช่มีกองทัพใหญ่สังโยตเพียงกองเดียวเท่านั้นยังมีกองทัพใหญ่มรรคอีกกองหนึ่งซึ่งแม่ทัพใหญ่สังโยตเองก็ยังรู้ท่านพึงเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดต่อสู้กันขึ้นฝ่ายสังโยตจะเอาชนะฝ่ายมรรคได้และการที่มีกองทัพใหญ่ตั้งเผชิญหน้ากันอยู่ถึงสองกองทัพก็แสดงว่าเ้ากษจะต้องเป็นผู้มีส่วนอนุมัติให้ตั้งขึ้น จะต้องรู้เห็นเป็นใจหรือจะโดยต้องจำใจยอมก็ตามเป็นอนว่านาครสามีและชาวจิตตนครทั้งปวงชื่อว่าจะรับรองกองทัพทั้งสองให้ตั้งขึ้นแล้วในจิตตนคร อ, อันหนึ่งเล่าในจิตตนครดังที่ได้กล่าวแล้วว่ามีสองศาสนาคือพุทธศาสนาและมารศาสนาสมุทยตั้งตนเป็นศาสดา ผู้แสดงมารศาสนาอีกด้วยนาคารสามีและชาวจิตนครส่วนมากก็นับถือาศาสนาทั้งสองนี้ควบคู่กันไปฉะนั้นแม้จะพากันตื่นเต้นยินดีชื่นชมในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชเพราะได้เห็นการสวนสนามครั้งสำคัญที่สมุททยจัดขึ้นนั้นผ่านไปแล้วชาวจิตนครผู้ซึ่งมีความตื่นเต้นสงบลงแล้ว ก็เริ่มระลึกถึงกองทัพใหญ่มักซึ่งยังรักษาดุสดีภาพไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรพากันคิดว่าจะทรงพลังอันเกรียงไกรสักเพียงไรจึงเกิดเป็นเสียงเรียกร้องจากประชาชนขึ้นให้กองทัพใหญ่มักแสดงการเดินสวนสนามให้ประชาชนได้ชมบ้างคนครสามีเองก็ได้ระลึกถึงกองทัพใหญ่มัก และคิดอยากจะให้เดินสวนสนามเช่นเดียวกับชาวจิตตนครทั้งปวงสมุทยเองก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนขึ้นเช่นนั้นเพราะสมุทยเองนั้นแหละเป็นเหตุเคยคิดเล็งผลเลิศฝ่ายตนแต่ถ่ายเดียวซึ่งทีแรกก็ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเสียงเรียกร้องจากประชาชนได้เสียแล้วทั้งสมุทยเองก็ฉลาดที่จะรู้ว่า ถ้าขืนเข้าไปห้ามปรามขัดขวางก็เท่ากับพายเรือขวางกระแสน้ำเชี่ยวดีไม่ดีเรือจะล่มเสียเล่าโบราณยังกล่าวไว้ว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือเพราะคนโดยมากจะคิดว่าสมุทรไทยคงจะต้องมีปมดอยจึงไม่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งสแสดงบ้างอีกฝ่ายหนึ่งนั้นคงจะต้องเก่งกว่าแน่ฉะนั้นสมุทรไทยจึงเห็นว่าสู้ทาเฉยเสีย หรือแกล้งส่งเสริมไปเลยไม่ได้ฝ่ายคู่อสวะซึ่งเป็นตัวหลักฝ่ายในข้างสมุไทยได้เห็นอาการของสมุไทยกระสับกระสายร่อร้อนก็รู้ใจสมุไทยจึงกล่าวปลอบโยนว่าไม่ต้องตกใจเห็นว่ากองทัพใหญ่มกักจะไม่เดินสวนสนามประชันขันแข่งกับกองทัพใหญ่สังโยตเป็นแน่เพราะคู่บา ร, รมีและมักค บ, บดีแม่ทัพใหญ่มกัก กับพักพวกทั้งหมดนับถือเชื่อฟังองค์พระบรมครูพระองค์ทรงสั่งสอนว่าการโ อ, อ, อ, อ้อวดการแข่งดีกันเป็นการไม่ควรทำฉะนั้นให้สมุทยสั่งพักพวกตะกรว่าให้มาสวนสนามอวดกันแข่งกันฝ่ายมักได้ยินดังนี้แม้จะอยากแสดงแสนยานุภาพบ้างก็จะต้องยับยัง้งเพราะจะขัดกับพระพุทธโอวาท ซึ่งฝ่ายนั้นจะไม่ประพฤติให้ขัดเลยฝ่ายมักเองก็จะกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนมติมหาชนจะทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือในฝ่ายมักเพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทรไทยหรือกองทัพใหญ่สังโยชน์มากขึ้นสมุทรไทยก็จะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งลองพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้อ้วนอวดไม่ให้แข่งดีเพราะการกระทาดังกล่าว ไม่ช่วยให้กิเลสหรือความเศร้าหมองของจิตใจลดน้อยลงกลับจะเป็นการเพิ่มผูนขึ้นทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อลดกิเลสตับกิเลสเท่านั้นผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้มุ่งจะดำเนินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดพูดทาสิ่งที่จะเป็นการเพิ่มกิเลสจะคิดพูดทาแต่สิ่งที่เป็นการลดตับกิเลสเท่านั้น ขอให้สังเกตผลดังนี้คือถ้าใจร้อนน้อยลงเพียงใดก็แสดงว่ากิเลสน้อยลงเพียงนั้นใจร้อนมากขึ้นก็แสดงว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้นจะต้องระวังกิเลสด้วยการสังเกตความร้อนของใจนี้แหละเป็นสําคัญจะสมกับเป็นผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบริหารจิต